พิกุณีสูตรว่าด้วยพิกษุณีสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่นครสิตารามเขตโครมโคสัมพีครั้งนั้นพิกษุณีรูปหนึ่งเรียกชายคนหนึ่งมาบอกว่าพ่อหนุ่มผู้เจริญมานี่เธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่กราบเท้าท่านด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ภิกษุณีชื่อนี้อาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักนางขอกราบเท้าพระคุณเจ้าอานน์และจงเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสขอพระคุณเจ้าอานน์ได้โปรดอนุเคราะห์เข้าไปหาภิกษุณีนั้นยังสำนักของภิกษุณีด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนท่านพระอานน์ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญภิกษุณีชื่อนี้อาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักนางขอกราบเท้าพระคุณเจ้าอานนนด้วยเสียงกล่าวและเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอโอกาสขอพระคุณเจ้าอานนนได้โปรดอนุเคราะห์เข้าไปหาภิกษุณีนั้นยังสำนักของภิกษุณีด้วยเถิดท่านพระอานนนรับโดยดุษณีภาพครั้นในเวลาเช้า ท่านพระอานน์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปหาภิกษุณีนั้นยังสำนักของภิกษุณีภิกษุณีนั้นเห็นท่านพระอานน์มาแต่ไกลนอนคลุมศีรษะอยู่บนเตียงลำดับนั้นในเวลาเช้าท่านพระอานน์เข้าไปหาภิกษุณีนั้นถึงที่อยู่นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าน้องหญิง กายนี้เกิดขึ้นเพราะอาหารบุคคลอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียกายนี้เกิดขึ้นเพระาะตันหาบุคคลอาศัยตันหาแล้วพึงละตันหาเสียกายนี้เกิดขึ้นเพราะมานะบุคคลอาศัยมานะแล้วพึงละมานะเสียกายนี้เกิดขึ้นเพราะเมถุนและการฆ่าปัจจัยแห่งเมถุนด้วยอริยมรรคพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว น้องหญิงเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้ว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะอาหารบุคคลอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นน้องหญิงภิกษุในธรรมวิไนนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่ง แต่ฉันเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกําจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์โดยคิดเห็นว่าเราจะ ก, กําจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดําเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่พาสุขจกมีแก่เราเธออาศัยอาหารแล้วภายหลังจึงละอาหารเสียได้น้องหญิง ข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะอาหารบุคคลอาศัยอาหารแล้วพึงละอาหารเสียเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้น้องหญิงเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้ ว, ว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะตันหาบุคคลอาศัยตันหาแล้วพึงละตันหาเสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นน้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ฟังข่าวว่า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 ภายหลังจึงละตันหาเสียได้น้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะตันหาบุคคลอาศัยตันหาแล้วพึงละตันหาเสียเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้น้องหญิงเรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แหละว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะมานะบุคคลอาศัยมานะแล้วพึงละมานะเสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น น้องหญิงภิกษุในธรรมวินัยนี้ฟังข่าวว่าภิกษุชื่อนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็ท่านผู้มีอายุนั้นทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันฉไหนเราจะทําให้แจ้งบ้างไม่ได้เธออาศัยมานะแล้วภายหลังจึงละมานะเสียได้น้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดขึ้นเพราะมานะบุคคลอาศัยมานะแล้วพึงละมานะเสียเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้น้องหญิงกายนี้เกิดขึ้นเพราะเมถุน และการฆ่าปัจจัยแห่งเมถุนด้วยอริยมรรคพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วลำดับนั้นแหลภิกษุณีนั้นลุกจากเตียงหม่มผ้าเฉวงบ่าข้างหนึ่งหมอบลงแทบเท้าของท่านพระอาหน์ด้วยเสียงกล่าวได้เรียนท่านพระอาหน์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเป็นคนเขขวคนหลงไม่ฉลาดได้ล่วงเกินไปแล้วขอพระคุณเจ้าอานน์ โปรดยกโทษให้ดิฉันผู้ทำอย่างนี้เพื่อให้สำรวมระวังต่อไปท่านพระอานุ์กล่าวว่าช่างเถอน้องหญิงเธอเป็นคนเคาคนหลงไม่ฉลาดจึงได้ล่วงเกินไปแล้วเมื่อเธอผู้ทำอย่างนี้เห็นโทษโ ด, ดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเรายกโทษให้เธอน้องหญิงการที่บุคคลเห็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมสำรวมระวังต่อไป นี้เป็นความเจริญในอริยวินัยพิคุณีสูตรที่เก้าจบสิบสุขตะวินยะสูตรว่าด้วยพระสุคตและวินัยของพระสุคต ภิกษุทั้งหลายพระสุคต์หรือวินัยของพระสุคต์เมื่อดำรงอยู่ในโลกพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระสุคต์คือใครคือตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ทพี่รพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคภิสษุทั้งหลายนี้คือพระสุคตวินัยของพระสุคตเป็นอย่างไรคือพระสุคตนั้นย่อมทรงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้กลาง และมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนภิกษุทั้งหลายนี้คือวินัยของพระสุคตภิกษุทั้งหลายพระสุคตหรือวินัยของพระสุคตเมื่อดำรงอยู่ในโลกอย่างนี้พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมทำสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เล่าเรียนสูตรที่เล่าเรียนกันมาผิดลำดับโดยบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดีแม้อัดแห่งบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดี ก็เป็นการสื่อทอดขยายความไม่ดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสู์หายไปแห่งสัตร ร, รม2เป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมเครื่องทําความเป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้เป็นธรรมประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตรธรรม 3. เป็นพหูสูตรเรียนจบคำภี ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาไม่ถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพเมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงละไปสูตรก็ขาดรากฐานไม่มีที่พึ่งอาศัยนี้เป็นธรรมประการที่สามย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตยธรรม 4. เป็นเถระเป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโอกรมณธรรมทอทุระในปวิเวก ไม่ปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งหมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่างภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นแม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็เป็นผู้มากๆเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นําในโอกรรมณธรรมพ่อดทุระในปวิเวกไม่ปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรุษทำที่ยังไม่บรุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นธรรมประการที่สี่ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสู์หายไปแห่งสัตยธรรมภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัตธรรมภิกษุทั้งหลายทำสประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตธรรม ทำ4ี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 1. เล่าเรียนสูตรที่เล่าเรียนกันมาดีโดยบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาดีแม้อัดแห่งบทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาดีก็เป็นการสืบทอดขยายความดีนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความดํารงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัจธรรม 2. เป็นคนว่าง่ายประกอบด้วยทำเครื่องทำความเป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้เป็นธรรมประการที่สองย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตรูรร ม, มเป็นพหูสูตรเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติ ก, กาถ่ายทอดสูตรแก่ผู้อื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงละไปสูตรก็ไม่ขาดรากฐานมีที่พึ่งอาศัยนี้เป็นธรรมประการที่สย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรม 4. เป็นเทระเป็นผู้ไม่มากมากเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกรมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารบความเพียนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง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 นี้เป็นธรรมประการที่ 4, สีสรรยยสรรย่ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมภิกษุทั้งหลายทรรสี่ประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่หายไปแห่งสัตยธรรมสุขตะวินยัตสูต ร, รที่สิบจบอินทรียาวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่ง อินทริยสูตรสศงัทธาภละสูตร 3. ปัญญาภละสูตร 4. สติภละสูตร 5. ปฏิสังขานภละสูตร 6. กกัปปะสูตร 7. โรคสูตร 8. ปริหานิสูตรเก้าพิคุณีสูตร 10. สุขตวินยสูตร ปฏิปทาวักหมวดว่าด้วยปฏิปทาหนึ่งสังขิตสูตรว่าด้วยปฏิปทาโดยย่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้า 2. ทุกขาปฏิปทา คิปปาพิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการ น, นี้แลสังขิตสูตรที่หนึ่งจบ 2- วิทารสูตรว่าด้วยปฏิปทาโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสีประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกงทุขาปฏิปทาทันทาพิญญา 2. ทุขาปฏิปทาขิปปาพิญญา 3. สุขาปฏิปทาทันทาพิญญา 4. สุขาปฏิปทาขิ ป, ปาพิญญาทุกขาปฏิปาทาทันทาพิญญาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้าย่อมเสวยทุกขโทมนัตที่เกิดจากราคะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้าย่อมเสวยทุกขโทมนัตที่เกิดจากโทสะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้า ย่อมเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโมหะเป็นประจำบ้างอินทรีห้าประการของเธอคือสัจตินรียวิริยนินรียสติินรียสมาตินรียปัญญียย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทรีห้าประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้านี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา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 อินทรีห้าประการของเธอคือสัตทินทรีวิรีทรีสัตทินทรีสมาทรีปัญญทรีย่อมปรากฏแก่กล้าเพราะอินทรีห้าประการนี้ปรากฏแก่กล้าเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วนี้เรียกว่าทุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนไม่มีราคะกล้าจึงไม่เสวยทุกขโทมนัตที่เกิดจากราคะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนไม่มีโทสะกล้าจึงไม่เสวยทุกขโทมนัตที่เกิดจากโทสะเป็นประจำบ้างโดยปกติเป็นคนไม่มีโมหะกล้าจึงไม่เสวยทุกขโทมนัตที่เกิดจากโมหะเป็นประจำบ้างอินทรีย์ห้าประการนี้ของเธอคือ สัตทินรียวิริยินรีสตินินรียสมาทินรีปัญยินรีย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทรีห้าประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้านี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติ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 สุภสูตรว่าด้วยการพิจารณาเห็นความไม่งามในกายภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา 2. ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา 3. สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาส สุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายมีสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าปฏิกูลในอาหารมีสัญญาว่าไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ เธอมีมรณสัญญาที่ตั้งมั่นดีภายในเธอเข้าไปอาศัยเศขาะพละหประการนี้อยู่คือศรัท ธ, ธาพละกําลังคือศรัท ธ, ธาหิริพละกําลังคือหิริโปตตะปะพละกําลังคือโอตตปะวิ ร, ยริยะพละกาลังคือวิรยิยะปัญญาพละกําลังคือปัญญาและอินทรีห้าประการนี้ของเธอคือสัตทินทรีย์ อินทรีคือศรัทธาวิริ ย, ยินทรีอินทรีคือวิริยะสตินทรีอินทรีคือสติสมาธินทรีอินทรีคือสมาธิปัญญทรีอินทรีคือปัญญาย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทรีห้าประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้านี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา ทุกขาปฏิปทาขิบปาภิญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายมีสัญญาว่าปฏิกูลในอาหารมีสัญญาว่าไม่น่าเพลิเพลิในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เธอมีมรณสัญญาที่ตั้งมั่นดีภายในเธอเข้าไปอาศัยเศขาพละห้าประการ น, นี้อยู่คือศรัทธาพละ หิริภละโหตปะภะละวิริยะภละปัญญาภละแต่อินทร์สี่ห้าประการนี้ของเธอคือสัตินทรียีวิริยินทรียีสตินทรียีสมาทินทรียีปัญยินทร์สีย่อมปรากฏแก่กล้าเพราะอินทร์สี่ห้ประการนี้ปรากฏแก่กล้าเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาคิปปาภิญญา สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิันนี้สังัดจากกามและอรสุนธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบรังับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจาร มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปพิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วพิษุบรรลุจตุทะฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุเข้าไปอาศัยเสกขปาละหประการนี้อยู่คือสัทธาภละฮิริปละโอต ป, ปะปละวิริยาละปัญญาภละและอินทรีห้าประการนี้ของเธอคือสัตธินทรีวิรีทรีสัตทินทรีสมาทรีปั ญ, ญิทรีย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทรีห้าประการนี้ปรากฏอ่อน เธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะช้านี้เรียกว่าสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่เพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่ เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทัชฌานอยู่เธอเข้าไปอาศัยเศขาระพละห้าประการ น, นี้อยู่คือศรัทธาพละหิริพละโอตปะพละวิริยภละปัญญาภละ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 อาสุภสูตรที่สามจบสปพระธมมคัมะสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่อดทนสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อัคมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่อดทน 2. คขมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่อดทน 3. ธมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ข่มใจสสมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ระงับอัคคมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ ด่าโต้ตอบคนที่ดา่าโกรธตอบคนที่โกรธเถียงโต้ตอบคนที่เถียงนี้เรียกว่าอคมาปฏิปทาคมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ด่าโต้ตอบคนที่ด่าไม่โกรธตอบคนที่โกรธไม่เถียงโต้ตอบคนที่เถียงนี้เรียกว่าคมาปฏิปทาถ้ามาปฏิปทาเป็นอย่างไร คือพิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอคตนธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผดทะพะทางกาย รู้ธรรมมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมในมนินทรีซีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีซีถึงความสำรวมในมนินทรีซีนี้เรียกว่าธรมมปฏิปทาสมมาปฏิปท า, า, าเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่ยินดีกมามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทําทให้สงบทําให้หมดสิ้นไปทําให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่ยินดีบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทําทให้สงบทําให้หมดสิ้นไปทําให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าสมมาปฏิปทา ภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสีประการนี้แลปฐมคมะีร์สูตรที่สจบ 5. ทุติยคัมะสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่อดทนสูตรที่สอง ภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อัคมาปฏิปทา 2. คขมาปฏิปทา 3. ธมาปฏิปทา 4. สมาปฏิปทาอัคคมาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหาย ต่อการถูกเหลือบยุง่งลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ยแรงต่างๆเป็นผู้มีอดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตนี้เรียกว่าอัคมาปฏิปทาคมาปฏิปทาเป็นอย่างไร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 ขมาปฏิปทาถ้ามาปฏิปทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอคุโสธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงมได้จึงรักษาจากขุน4ีถึงความสารวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลภพะทางกายรู้ธรรมารมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรียีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกาบาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงมได้จึงรักษามนินทรียีถึงความสำรวมในมนินทรียีนี้เรียกว่าทมาปฏิปทา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 ทำให้ถึงความไม่มีนี้เรียกว่าสมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แหลทุติยะคัมภสูตรที่หจบหอุพยสูตร ว่าด้วยปฏิปทาที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งสองส่วนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งทุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิบัติลําบากและรู้ได้ช้า 2. องทุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็ว 3. สุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า 4. สุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วบรรดาปฏิปทาสี่ประการนั้นทุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำทั้งสองส่วนคือต่ำเพราะการปฏิบัติลำบากและต่ำเพราะรู้ได้ช้า ปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ําทั้งสองส่วนบรรดาปฏิปทานสี่ประการนั้นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ําเพราะปฏิบัติลําบากบรรดาปฏิปทานสี่ประการนั้นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่า เป็นข้อปฏิบัติต่ำเพราะรู้ได้ช้าบรรดาปฏิปทา4ีประการนั้นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิปทานี้บรรดึกกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติประนีทั้งสองส่วนคือประณีเพราะปฏิบัติสะดวกและประนีเพราะรู้ได้เร็วปฏิปทานี้บรรดิกกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติประณีทั้งสองส่วนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสีประการนี้แหลอุพยะสูต ร, รที่หจบเจ็ดมหาโมคลานสูต ร, รว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นเหตุให้จิตของพระมหาโมคลานหลุดพ้น ครั้งนั้นแหละท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระมหาโมคคลานะว่าท่านโมคคลานะปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งทุขาปฏิปทาทันทาภิญญา สทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญา 3. สุขาปฏิปทาทันทาภิญญา 4. สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาผู้มีอายุปฏิปทาสี่ประการนี้แหลบรรดาปฏิปทาสี่ประการนี้เพราะอาศัยปฏิปทาข้อไหนจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทาน ท่านพระมหาโมคลานะตอบว่าท่านสารีบุตรปฏิปทาสีประการนี้ปฏิปทาสีประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพินยา 2. ทุกขาปฏิปทาขิปปาพินยา 3. สุขาปฏิปทาทันทาพินยา 4. สุขาปฏิปทาขิปปาพินยาผู้มีอายุ ปฏิปทาสีประการ น, นี้แหลบรรดาปฏิปทาสีประการนี้เพราะอาศัยทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาจิตของผมจึงหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานมหาโมคลานสูที่เจ็ดจบ สารีบุตรสูตรว่าด้วยปฏิปทาที่เป็นเหตุให้จิตของพระสารีบุตรหลุดพ้นครั้งนั้นแลท่านพระมหาโมคลานะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรปฏิปทาสี่ประการ น, นี้ ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพินยาสทุกขาปฏิปทาขิปปาพินยา 3. สุขาปฏิปทาทันทาพินยา 4. สุขาปฏิปทาขิปปาพินยาผู้มีอายุปฏิปทาสี่ประการนี้แหละบรรดาปฏิปทาสประการนี้เพราะอาศัยปฏิปทาข้อไหน จิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคลานะปฏิปทาสี่ประการนี้ปฏิปทาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. นทุขาปฏิปทาทันทาพิญญา 2. อทุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา 3. สุขาปฏิปทาทันทาพิญญา 4. ส, สุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาผู้มีอายุปฏิปทาสี่ประการนี้แหลบรรดาปฏิปทาสี่ประการนี้เพราะอาศัยสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาจิตของผมจึงหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานสารีปุตตสูตที่8จบ